ธรรมชาดกแผ่นที่หลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18ทธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าพระปัจเจกตัวปลอม อา้าวบทนาที่นี่นะฟังนาที่นี่นะคณะศนะระัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานอยู่ในความสงบเฉยเงียบใครคุยกันข้างล่างหยุบชักก่อนอย่าเพิ่งคุยกันคุยกันถ้าจะคุยกันนุ่มลากแขนกันไปนอกกำแพงค่อยคุยนะอยู่บริเวณนะี้อย่าคุยกันอยู่ในความสง บ, บก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนะเพราะว่างานของหลวงปู่ใกล้เข้ามาเต็มทนแล้ว เดี๋ยวนี้ยังดูยีสวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังเหลือ20วันแล้วก็วันนี้จะมีกลุ่มโยธาที่การจะมาดูมาตรวจตราดูที่จะสร้างพระพาร์ที่จะตั้งพระพารับเสด็จเวลา10บศน ก, ก็จะมีการประชุมกันแหะมาตรวจแล้วก็มาประชุมกัน เพนั้นขอให้ทางหวงครัวเนอทางวงครัวทกโรงโงครัวนะั่นอะเตรียมพร้อมเพื่อจะเลี้ยงแขกผู้ที่มางานมาดูงานมาที่จะตั้งพระพาพระพาที่รับเสด็จจะมาคงจะมาหลายคนหน่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องคงจะมา ดูแล้วก็ประชุมเสร็จแล้วก็คงจะรับทานอาหารเที่ยงที่วัดของเราเพราะนั่นทางครัวทุกครัวนะ่าให้ช่วยๆกันนําอาหารมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานบุญปลงปู่เรานี่แหละหลวงพ่อบอกแล้วว่างานของหลวงปู่เรามีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะมาร่วมกันแล้วก็ทางฝ่ายทางน้ํา ก็นีะ่ะทั้งไฟฟ้าทั้งเสียงทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็พร้อมที่มาช่วยงานแต่สิ่งที่แปลกปลอมก็มีอีกเหมือนกันนะเออหลวงพ่อก็แปลกใจกับหมู่พี่น้องประชาชนทำไมทไมจะมาคิดทำชั่วในวัดวาศาสนาเราจะไปทำมาหากินที่อื่นแล้วก็ทำได้ แต่นี่มาทำความชั่วในวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาบาเพ็ญอยู่ที่นี่บับท่านมานั่งภาวนาอยู่ที่นี่นั่งสมาธิวิปัสสนาอยู่ที่นี่ไม่ใช่แต่ท่านองค์เดียวพี่น้องประชาชนทั้งหลายหมื่นหลายแสนที่มานั่งภาวนาอยู่ตรงนี้บางท่านก็ได้รับความสงบจิตใจสงบมีความสุขในการบาเพ็ญภาวนา เพราะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระปฏิบัติทีปฏิบัติชอบพระอริยะชนอยู่ณนะสถานที่ใดที่นั้นแลเป็นที่รื่นรมเพราะนั้นหลวงปู่ของเราท่านปฏิบัติทีปฏิบัติชอบลูกหลานทั้งหลายที่เข้ามาในเขตนี้ในบริเวณนี้สรุปแล้วให้เป็นคนดีอย่าไปคิดทําความชั่วอย่าไปคิดขโมย อ, อย่าไปคิดคดคิดโกง คิดเบียดคิดบงังคิดทุกทกเหยียดหยามแล้วก็โมยสิ่งของของคนอื่นเขาถ้าเราไปทำอย่างนั้นแปลว่าเราทำความชั่วในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นบาปกรรมติดพบติดชาติไปนานเท่านานนะลูกหลานนะอย่าว่าไม่บอกนะเราไปทำทำมาค้าขายจุดหนึ่งก็ได้กำไรดีแต่ไปทำมาค้าขายจุดหนึ่งเอ อ, เ อ, อกำไรไม่ดีันน่ี้เรามาทำบุญในสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะ่ะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างพระก็เหมือนกันพระลูกพระหลานพระน้องพระนุมอย่าไปคิดหมาขโมยโวยโจรไปตามวัดต่างๆในงานใหญ่ๆอย่างนี้หลวงพ่อก็วิตกกังวลเหมือนกันทําไมาลูกหลานจะคิดสั้นมากทั้งที่ครองผ้ากาสาวพัดครองผ้าพระพุทธเจ้าธงชัยของพระรหันรงชัยของพระพุทธเจ้าศาสกยบุตรแล้วไปคิดขโมย ไม่ได้แล้วก็ขโมยบาดขโมยจีวรขโมย ย, า ม, ย, ยามอะไรของหมู่พวกเพื่อนทำไมถึงทําความชั่วได้หลงคอนะี่น่าคิดเหมือนกันนะลูกหลานนะต้องคิดให้ไกลๆอย่าไปคิดไกลๆถ้าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วอย่ากหกเนีพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านประกาศท่านสอนไว้ดีแล้วข้อสำคัญให้เราเป็นผู้มีสิงเท่านั้นแหละ เป็นผู้มีศีลเป็นพื้นต้นต่อไปก็เป็นผู้มีธรรมใน จ, ใจิตใจคิดดีทดําดีพูดดีในศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยอย่าไปโกอดไม่ต้องกลัวอดไปในะสถานที่ใดสัตยาจโจมก็พร้อมที่จะถวายถ้าเราไปทําความชั่วชา้าเสียหายนั่นแหะเสียหายทั้งหมู่ทั้งคณะเสียหายทั้งทีมเสียหายทั้งวงตระกูลที่คนโบราณเขาว่าปลาตัวเดียว พอมนเน่าหรืเหม็นคับค้องนะเหม็นคับกระมงกระมังที่เราเก็บไวท้ทาปลาตายเพียงตัวเดียวนะอันนี้ก็เหมือนกันความชั่วของหมูพกเพื่อนลูกหลานเพียงองค์เดียวทำให้เสียตระกูลไปได้ เ, เสียวงเสียความเคารพนับถือของพี่น้องประชาชนาสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะท่านตาลบเกี่ยวกับพระเทวทัตนะ พระเทวทัตเนี่ยครองผ้าไม่สมกับกับตัวเองครับชาวเมืองเขาจะถวายผ้ากรรมลราักขาดแสนนะบางคนก็น่าจะถวายพระโมกขาลาสาริบุตรพระอาณ น, น์แต่คนทั้งหลายกลุ่ ม, มหนึ่งกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์พระเทวทัตนะมันมีมากกว่าเลยกลุ่มคนชั่วก็มากกว่ากลุ่มคนดีก็มีเหมือนกันนะในครั้งพุทธกาลนะ เพราะ น, นั้นเห็นว่าหมู่มากว่าเป็นดีทีเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันนะกลุ่มพระเทวทัตกลุ่มมากก่าเนีเ่ยอ้าลงคะแนนกันไงพอลงคะแนนกันฝ่ายเทวทัตเลยชนะพอชนะก็เลยได้ผ้ากำลพลผืนนั้นแหะราคาเป็นแสนเนี่ยเป็นวันผ้าที่ดีที่สุดนะ่ยถวายพระเทวทัตพอเทวทัตก็ถือผ้าได้ผ้าผืนนั้นแหะหอมแล้วก็อวดไปในสถานที่ต่างๆ คนทั้งหลายที่ไม่มีไม่นับถือเรื่องสายเขาบอกโอ้เทวทัตครองผ้าไม่สมกับไม่สมกับตัวเองเน่ยเทวทัตครองผ้าไม่สมกับฐานะตัวเองน่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็พูดโจรธนากันสนทนากันไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเทวทัตเนี่ยครองผ้าไม่สมกับตัวเองมีแล้วในครั้งก่อนๆ น, นั่นแหละพระสงฆ์ก็เลยกราบทูณถามพระพุทธเจ้าว่า สมัยไหนพระพุทธเจ้าข่านที่เทวทัตใช้ผ้าเกินฐานะของตัวเองไม่สมกับตัวเองน่ยพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเทวทัตนี่ท่านเกิดเป็นพรานเป็นพลานยิงช้างคือมีท่านนูแล้วก็อาบด้วยยาพิษแล้วก็ไปยิงช้างในป่าพระช้างตอนนั้นเป็นช้างเป็นฝูงใหญ่แล้วก็มีหัวหน้าช้างอีกเป็นหัเป็นจ่าฝูง อแต่นี้ก็พระประเจกเห็นเห็นช้างโมนี่เห็นช้างอยู่ในป่าพอเห็นแล้วไปเห็นพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้าคือพระพระประเจกคือพระสงฆ์นี่แหละอท่านมียูนิฟอร์มอย่างนี้แหะมีผ้าสีผ้ากาสาวพัดเนี่ยท่านเดินไปช้างทั้งหลายก็นั่งหมอบลงคุกเขา่าคุกเขากา่าก่าเพราะช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยให้เห็น ผ้ากาสาวพัชเห็นผ้าสีเหลืองเนี่ยช้างให้ความเคารพพอเห็นช้างทั้งหลายเห็นพระประเจกเดินน่ยช้างก็จะหมอบกราบลงพอหัวหน้าหมอบลูกน้องทั้งหลก็หมอบกราบเคารพพระปเจกพุทธเจ้าเนี่ท่นี้นายพรานไปหายิงช้างพอช้างถูกกินช้างก็วิ่งห น, นีมันเข้าใกล้ไม่ได้พระเทวทัตเนี่ช้างหมู่นี้มันเคารพพระประเจกพุทธเจ้า เอเราจะทํำยังไงเนาะจะได้ผ้าสีเหลืองพระปฏิเจตพุทธเจ้านะมาคุมเนะนี่ยเนี่ยคนมิจฉาชีพมันคิดอย่างนั้นเนี่ยคนชั่วใช่ไหมวางแผเลเนี่ยในนี้พระปฏิเจตพุทธเจ้าท่านก็ไปสง้น้ำถึงในห้วยในคลองนะ่ะเทวทัต่ ะ, ะย่องย่องไปขโมยผ้าพระปฏิเจตเนะนี่ยเนะี่ยขโมยกระทั่งผ้าพระปฏิเจกนะคนคนชั่วเนี่นะพอได้ผ้าพระปฏิเจตมาแล้วเข้าป่ามิตตรแ่จะเนี้แต่ทีนี้ก็ ว่าช้างโขงนี่เนะ่ยเวลาเดินผ่านพระประเจกหัวหน้าโขงจะเคารพซะก่อนแล้วก็เดินผ่านลูกน้อง ก, ก็เคารพเป็นทอดเป็นทอดไปทีนี้ก็พระอ๋พระประเจกนี่พระประเจกปลอมแล้ก็เป็นนั่งอยู่ข้างถนนแล้วไงเตรียมเตรียมถนูไว้อย่างดีแล้วนั่นแหละอาบยาพิษอีกต่างหากพอช้างเดินมาหัวหน้ามันก็เคารพต่อมาก็เคารพ พอช้างตัวจุดท้ายนี่ยดูดูแล้วมันละล้าล ะ, ล ะ, ล ะ, ละหลังมาแต่มันมีงาใช่ไหมล่ะนายนด่เกิธนูยิงเลยคนนะัะพอยิงถูกช้างช้างก็ถูกยาพิษมันก็หัวใจ ต, ตายทันทนะีพอตายเสร็จแล้วก็ช้างนายพานก็ไปตัดเอาง า, าไปาหาหมูหาเพื่อนมันก็คงจะเก็บซากศพเรียบร้อยต่อมานานๆอีกไปอีก มันนั่งเอกนั่งจุกปุกเหมือนพระประเจกโ อ, โ, อโอ้พากองใะ่แล้วก็ยิงช้างอีกหัวหน้าช้างก็สังเกตเอ๊ะทำไมช้างของเรานหมู่ของเราทําไมร่อยหลอหรอกมันทาไมมันหายไปอหัวหน้าช้างเนะนี่ยท่นี้มันเป็นเพราะอะไรมันสังเกตมันเห็นพระประเจกองที่มานั่งอยู่ที่ทไรเนี่ยมันมันดูดูแล้วมันผิดสังเกตนะเ น, นี่ย นี่แหละพระโพธิสัตว์ท่านใช้ปัญญานอะถึงจะเป็นช้างท่านก็ใช้ปัญญาเนี่ยจากนั้นท่านก็บอ ใ, ให้บริวารเดินก่อนเนไปสู้เจ้าเดินก่อนไหมข้าจะเดินตามหลังเนี่เออเพราะเหมือนปัญาช้างนี่ก็เดินตามหลังเพราะตามหลังก็ตาของท่านก็สังเกตจำเรืองจำเ ร, ออำเรืองด้วยจำเรืองด้วยเนี่ยอาาาเออพระปเจกปลอมเหมนกันนี่ยเห็นที่คองผ้ากาศวพัฒนี่ยคือคลองผ้าเหลืองอยู่เนี่ยทางนี้ก็ พอช้างใหญ่จะไกระเดินตามหลังมาแต่ท่านสังเกตนี่ใช่ไหมท่านไม่ได้ทอดสายตาท่าไม่ทิ้งมองอยู่ทีนี้พอเสร็จเท่านั้นแหละนายธนูด้วยกนเอาธนูออกมาจากจีวรของตอนเองนายถลอกจีวรออกมาเตรียมธนูที่จะยิงเลยพอจริงจิงปล่อยลูกธนูออกไปพัดน่ยช้างหลบเลยหลบโลกธนูนี่ย พอหลบลูกธนูช้างนี่กระโดดเข้าไปแล้วเน่ยตะคบเลยงหมนเอะเอพอตะคบพระปฏิเจต์ปองเหมืนกันพอประคบจะนี่จับได้แต่เพระประเจตช้างเต่โอ้โหถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยข้าจะขยี้มันเลย่ะเออเหยียบมัเลยแต่นี่โอ้อันนี้มันคองผ้าผ้ากาสาวพัดธงชัยของพระรหันต์ข้าไม่กล้าไม่กล้าที่จะทําความความชั่วเพราะข่าเคารพในผ้าเออผ้า ภาพพระประเจกเนี่ยนะพระผาาสีเหลืองคือธงชัยของพระรหารอ่คงเป็นภาพหุ่มห่อผู้บริสุทธิ์หลุดพ้น อ, อ, อาสวะกิเลสถ้าเราไปฆ่าเส้นเนย เ, เหมือ น, นเราเป็นคนเป็นช้างที่ไม่ดีเป็นช้างที่ทรยศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฆ่าไป่ท่าันก็ได้จับคอนายพานเสร็จแล้วแกนะอย่าทำอย่างนี้อีกต่อไปนะ ถ้าขืนทำอีกต่อไปนะไม่ได้นะตายนะนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือขนาดท่านเป็นพยาช้างนะท่านยังเคารพยังเคารพผ้ากาสาวพัดเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาและยังเอาผ้ากาสาวพัดมาห่มตัวเองแล้วมาทำมิจฉาชีพเนี่ยไม่น่าถูกนะลูกหลานนะต้องคิดดูให้ดี อันนี้ก็คือขนาดพระโพธิสัตว์ในท่านเป็นสัตติรฉานเป็นช้างท่านยังเคารพผ้ากาสาวพัดเพราะนั้นพวกเราได้ครองผ้ากาสาวพัดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นศักดิกัจจบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วจะไปทําความชั่วช้างเสียหายมันไม่ถูกไม่น่าจะถูกนะคณะสัตย์ทายญาติโยมลูกหลานผ้าเนินเาให้สํารวมระหว่ัง แล้วก็มาในงานนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรามาสร้างปุญสร้างกุศลเราขาดหรืออะไรมีอยู่มีกินในวัดนี้โรงทานแล้วก็มีผ้าหม่มถ้ามันหนาวผ้าห่มท่านก็มีมีให้ต้อนรับขับสู้หมดทุกอย่างแต่พวกเราเป็นแขกมาในวัดของท่านมาในงานของท่านได้กินทุกอย่างได้ใช้ทุกอย่างมาแล้วแล้วก็มาทําความชัวช่วช้าเสียหายในวัดของท่าน คนโบราณเขาบอกว่ากินในพื้นขึ้นไปขี่รถหลังคาขี่รถหลังคาอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นะพวกเรามาอยู่วัดวาศาสน า, าของท่านเราต้องพยุงเราต้องมาช่วยส่งเสริมให้วัดป่าวิเวกพัฒนารามของเราเนี่ยมีความเจริญผาสุขมีความพร่มเย็นผาสุขใครเข้ามาเออเอามีเมตตาต่อกันมีความยิ้มแย้มแจ้มใสต่อกันกินข้าวและยัง พักที่ไหนมีผ้าห่มพอไหมมีพี่น้องมาด้วยกันกี่คนเอาเข้ามาอาหารอยู่ตรงนี้นะพวกเราก็ต้องต้อนรับขับสู้เพื่อพวกเราเป็นลูกหลานขององค์หลวงปู่พวกเราต้องมีน้ำใจต่อแขกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนั้นมันจึงจะถูกนะั้นลูกหลานนะไม่ใช่ว่าทางหลวงครัวของเหมือนกันถ้าพี่น้องลูกหลานเข้ามาก็ใจดีเขาขอ ขอกล้วยเตี๋วสักถ้วยได้ไหมได้พอเอาไปให้คุณพอ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านท่านคงได้กินอาหารในฐานะที่เราเป็นลูกได้กินของดีๆแล้วก็คิดถึงพอ่อถึงแม่ขอสักสองถ้วยได้ไหมเราเป็นเจ้าของโรงทานก็ต้องใจดีเออเอาไปให้ใครละ่ะถ้ามันเกินไปเราบอเออมันเกินไปแล้ ว, าา น, ลวนะไม่ใช่เอาไปซื้อไปขายนะอันนี้เอาไปให้พ่อให้แม่ได้โย แต่เอาไปมากๆากมันไม่ใช่เอาไปเอ่อทิ้งไปคว่างไปซื้อไปขายมันไม่ใช่นะ เ, เรามาตั้งโรงทานสําหรับให้คนกินแต่ถ้าว่าเอาไปให้พ่อให้แม่เอก็ไม่ว่ากันแล้วเพราะว่ า, เ, าเราได้กินของดีๆแล้วก็ต้องระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราพ่อแม่ของเรามาไม่ได้พ่อแม่ของเรากินแล้วก็จะได้ เ, เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาลูกหลานทั้งหลายจะต้องดูแลพ่อแม่ของตอนเอง นี่แหละพวกเราที่เป็นเจ้าของหลบทานก่อใจดีนะต้องคิดหน้าคิดหลังไม่ใช่ว่าเขาขออะไรกันหน้าหมดหน้าบึง้งต่อเหลิวต่เวียงซ้ายต่เวียงขวาทับพีกวิ่นว่อนไปหมดนะใครจะเข้าไปใกล้ใช่ไหมล่ะกลัวกลัวแม่กลัวเงินกลัวไม่กลัวกลัวแต่เหลิยวแม่กลัวเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกคู่ทุกคนนะเพราะทุกคนเราก็มีพ่อมีแม่ อย่างที่หลวงพ่อเคยยกนิทานขึ้นมาสอนพวกลูกพวกหลานนางสาหมาวดีพ่อแม่ตายวันแรกก็ไปขอขออาหารจากโรงทานโรงทานของเศรษฐีขออาหารโรงทานขอขอสามชด์พอมาแล้วก็พ่อคงรงคงจะหิวมากเพราะเป็นเศรษฐีเนี่ยเดินทางไกลเลให้พ่อกินก่อน พ่อกับแม่อาหารแม่แให้พ่อกินนะที่ผู้หญิงนะแม่บ้านรักรักสามีใช่รักพ่อบ้านมากก็เลยมอบให้พ่อกินให้พ่อบ้านกินคงก็จะหิวมากนะพ่อไม่เคยทุกข์เคยยากมานก่อนเลยก็เลยแม่บ้านก็ให้พ่อให้แม่ให้สามีกินพ่อกินเข้าไปแล้วมันจุกที่หนึ่งพ่อขาดอาหารมานานไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเดินทางพอไปกินอาหารก็เลยตาย พอตกกลางคืนตายยังเหลือสองเท่เนี่ยให้ลูกสาวตัวชื่อตีอาอยุสิบสาสิบสี่ปีเนี่ยไปเอาไปเอาอาหารมาให้อีกไปทอพ่อครัวแอนูขออาหารสองชดุดพ่อครัวก็เลยเอาให้อีกสองชุดมาก็ให้แม่ให้ให้ใหแม่กับตัวเองกินพอต่อแม่หรือแม่ก็คงจะคิดถึงพ่อด้วยเออละว้าเวด้วยแม่ก็เลยตายเองเนี่ย พอตายยังเหลือแต่ลูกสาวตัวสิดเลืออายุสิบ ส, สิบสี่ปีวันลกขึ้นก็ไปขอข้าวอีกน่ยไปขออาหารอีกพอ่พอพ่อค้าดิฉันขอหนูขออาหารสักชุดหนึ่งทังพ่อขวดที่ทำอาหารนี่กับคล้ายๆก่าขู่เขาแล้วงั้นเถอะเพราะไม่รู้เรื่องเนี่ยบอกบอกว่าเอเนี่ยเมื่อวานวันก่อขอสามชุด วันนี้เพิ่งมารู้จักท้องตัวเองวันนี้เหรอมากินเพิ่งเพียงชุดเดียววันเนี้ยนี่แหละอะนางอิฐหนูน้อยมันเคยบอกว่าไม่ใช่เมื่อวานเราไปให้พ่อให้แม่สามชุดคือให้พ่อให้แม่แต่พ่อถุงตายแล้วก็แม่เมื่อวานก็แม่ตายยังเหลือแต่หูคนเดียวเพรา ะ, ะนั้นจึงขออาหารชุดเดียววันนี้นะจากนั้นก็บพ่ออะไรพ่อครัวอเล ย, อเลยโอ้ สลดสังเวชใจโอ้อ่าเอ า, เอาดังนั้นอินูมาอยู่กับพ่อนะพ่อจะเป็นพ่อของอินูนะมาอยู่กับพ่อนะเอนี่แหละก็เลยรับเป็นลูกบุญธรรมอามาอยู่กับพ่อครัวแต่พอมาอยู่กับพ่อครัวคนมีปัญญาใช่ไหมไปที่ไหนก็เกิดปัญญาจัด ก, การดีทั้งหมดนะ่ะคนมีปัญญาถ้าคนโง่ไปที่ไหนก็สื่อบื้ออย่างว่านะี่นางสาวมาวดีมาอยู่กับพ่อครัว มาเห็นพ่อครัวเห็นคนมาจัดตักอาหารแย่งกันเข้ามาคนนั้นก็อยากตายคนนี้ก็อยากไดเอ อ, อาหารแต่กระจุยกระย า, ายไปหมดแต่ละวันนางสามเมวดีอายุสิบสาบสี่ปีเอ๊ะพอ่อทำไม่เป็นทำไม่ทําเป็นซองให้ทนเคินคนเดินเข้ามาตามซองเนี่ยแล้วกจัดแล้วก็ออกไปจัดแล้วก็ออกไปคนจะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนี้ อันนี้มันคนเข้ามาแย่งอาหารกันโอ้บางทีอาหารตกหล่นอีกเสียหายเยพ่อน่าจะทำอย่างนั้นนะเนีน่ยคนมีปัญญาใช่เออใช่พ่อครัวก็เลยจัดเอาไม้ไผ่มาทําเป็นราวเป็นช่องเป็นซองเข้าไปคนก็เดินตามซองเลยเนี่ยคนกลรับอาหารไปเปิดเนินคนก็ไม่เถียงกั น, นเลยเงียบเก็บเศรษฐีอยู่บนบ้านเยไม่ห่างไกลเท่าไหร่เอ๊ ตะกอนตอนเช้ามาเห็นแตะคนแย่งกันสนันวันไหวแต่โรงทานของเราทําไมไม่มีคนเลยเลยเนี่ยไม่มีคนมากินเลยเลยเนี่ยทําไมมันเงียบนักไม่ยินเสียงตะกอนมันเสียงตะโกนโว้กเวกไม่หมดเมือม่อเมื่อแจกอาหารเนี่ยเศรษฐีก็ไม่สบายใจเศรษฐีก็เลยลงมามาถามนะพอครัวอนะได้ทําอาหารเลี้ยงคนไหมเนี่ยทํำไมมันคนนต่ไม่เงียบนัก ลเลี้ยงสม่ำเสมอยิ่งมากกว่ า, กวาเก่าครับเอา้าทำไมคนจะไม่มีเสียงละ่ะเพราะลูกสาวของของผมเนี่ยเป็นผู้ใช้ปัญญาให้ผมผมก็เลยทำเป็นซองเข้ามาเนี่ยคนเดินตามซองเข้ามาแล้วก็จัดอาหารแล้วก็เดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านคนก็เลยไม่เถียงกันไม่พุ่นไหวไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายาที่ไหนลูกสาวอยู่ที่ไหนเศรษฐีก็ทำเอาลูกสาวตัวสิริปา นี่แะเอาตอาตะกอตะแก่ไม่มีลูกเนี่ยทำไมไม่ลูกลูกบนธรรมลูกบนธรรมมาจากไหนเศรษฐีธรรมชักไซไล่เลียงที่ไหนได้เป็นลูกของเพื่อนตัวเองนะอยู่คนละเมืองกันนะนี่แหละเป็นเพื่อนกันอีกต่างหากเศรษฐีก็เลยเอาลูกสาวคนที่ไปอยู่ด้วยนะนอันนี้แหละคือโล่งทานทั้งหลายนะ เ, เราต้องคิดให้ไกลๆสรุปแล้วเมื่อเราจะทำบุญกับ อันไหนถ้าเขามีขอมาพอประมาณแล้วก็ต้องยืดยุ่นอนุอนุอนุอนุโลมตามเพราะเอาเขาไปให้พ่อแม่ของเขาพี่น้องของเขาที่ไม่ได้มาไม่ได้มาทานกับเขาเขาทิศทานอาหารแล้วก็พอใจอาหารอร่อยอย่างนี้นะเราก็ควรจะให้เขาบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเราจะให้มากก็ไม่ใช่เออไม่ได้หรอกวันนี้อาหารคนมันเยอะ เราเอาคนเดียวก่อนนะดูดูมันจะไม่พอกันเนี่ยคนที่มากินเนี่ยทำยังไงเนี่ยทําไม่พอกันก็เสียหายเราจะไปเอาคนเดียวไม่ได้เอาเอาไปไปเอาอันสองอันเขาปอนะนะไปไไปแบ่งกันไปอันนี้เป็นเทคนิคของคนในครัวทั้งหมดทั้งหมดแหละแม่ครัวนะผมพอขอฝากไว้กับลวงครัวทั้งหลายทั้งปวงเนอะเห็นไม่นานสามาวดีพ่อตายแม่ตายยังเหลือตัวเองพ่อครัวก็ยังขู่อีก วันก่อนขอสามชดุดแต่เมื่อวานขอสองชดุดเพิ่งมารู้จักประมาณตัวเองเล้อ ว, วันนี้อีหนู น, นี่พ่อครัวครูแต่นางนางอีนงอหนูนะบอกว่าไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนเอาไปให้พ่อชุดหนึ่งให้ฉันให้แม่ชุดหนึ่งแต่วันนี้พ่อกับแม่ตายไปเสียแล้วยังเหลือแต่หนูคนเดียวจึงขอชุดเดียว น, นี่แหละอันคือความจำเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ เพราะนั้นหลวงพ่อเรื่องสาธกให้พวกเราลูกหลานทั้งทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพราะวิชาในโลกนี้มันมีมากหลากหลายเพื่อที่พวกเราจะรู้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ให้พูดให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาแนวหนึ่งนะถ้าจะพูดไปยาวเหลวกูบาจะไม่ได้จันจังหันแล้ววันนี้เอารับพรในทะีนะ